ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงตัวเรียกได้ว่าแ ป, ป, ปรปวนเลยทีเดียวเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเร็วแล้วก็บางครั้งก็ผิดฤดูกาลจน่าดเดาไม่ได้อย่างเช่นเนี่ยช่วงนี้มันก็เป็นช่วงหน้าแล้งนะแล้วก็เรากำลัง เข้าสู่ฤดูร้อนจะบอ ก, กว่าฝนตกชุกด้วยตื้นแล้วก็หนาวเราเรียกว่ามันแปรปรวนผิดฤดูกาลจาเจออากาศแปรปรวนแบบนี้นี่ถ้าเราวางใจไม่ถูกนี่มันก็ทุกนะเพราะว่ามันนอกจากมัน ไม่เปลี่ยนไปตามความคาดหวังบางทีมันก็มีลักษณะที่สุดโต่งนะเช่นหนาวมากร้อนมากหรือว่าชื้นมากเนี่ยถ้าเราวังจะไม่เป็นนะมันก็จะได้แต่ความทุกข์หรือได้แต่ความรู้สึก ความรู้สึกร้อนความรู้สึกหนาวความรู้สึกพอใจไม่พอใจแต่ทั้งที่ถ้าเราวางใจเป็นนี่เราก็ไม่ใช่ได้แค่ความรู้สึกนะมันได้ความรู้ด้วยไม่ว่าดินฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรมันจะไม่ใช่ให้แต่ความรู้สึกซึ่งก็บนเวียนอยู่กับเรื่องสุขเรื่องทุกข์แต่มัน ให้ความรู้กับเราได้ด้วยความรู้ที่ว่านี่มันไม่ใช่แค่ความรู้เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศอย่างเดียวแต่ยังให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเราเองด้วยวันนีถ้าเราสังเกตนะอากาศแบบนี้พอเกิดขึ้นแล้วใจเราเป็นอย่างไรความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นอย่างไร อารมณ์ของเราเป็นอย่างไรอย่างเช่นถ้าอากาศชื้นครึมมากนี่ก็อาจจะรู้สึกตื้อๆหรือว่าไม่สดใสแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ฟ้าโล่งโปร่งก็เกิดความรู้สึกผ่องใสเบิกบาน อาการของใจของเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวยถ้าเราสังเกต ด, ดูมันไม่ใช่แค่ฤดูกาลเท่านั้นนะตลองรวมถึงดินฟ้าอากาศใ้แต่ละช่วงของวันด้วยเช้าสายบ่ายเย็นคำ่ำอย่างเช่นเช้ามืดเ น, นี่ก็อาจจะรู้สึก ง, งวงเงียแต่พอ เริ่มสว่างเนี่ยจิตใจก็เกิดความผ่องใสตื่นตัวพอถึงเวลาสายๆนี่ก็เกิดความกระชับกระเฉงพอตกบ่ายก็อาจจะมีความกระวนกระวายคือมันกระฉับกระเฉงมากไปจนกระทั่งฟุ้งคิดโน่นคิดนี่พาให้เกิดความกระวนกระวายหรือว่าเกิดความรุ่มร้อน แต่พอตกเย็นหรือวันแดด ร, ร่วมวมตกนี่ก็รู้สึกผ่อนคลายพอกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกสงบมือกระใจและกายนี่มันก็เตรียมตัวพักมันมีช่วงเวลาที่เราเพร้อมหรือสามารถที่จะวางสิ่งต่างๆที่มกมุ่นคุ้นคิดตลอดทั้งวันลงได้ให้เราลองสังเกตนะ ว่าอากาศดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลหรือว่าช่วงเวลาในแต่ละช่วงของวันเนี่ยมันมีผลมันมีสิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของเราอย่างไรอันนี้ถ้าเราหมั่นสังเกตนะมันก็จะได้ความรู้นะมันไม่ใช่แค่ได้ความรู้สึกสุขทุกข์ร้อนหนาว อ, อึดอัดแต่ว่ามันได้ความรู้เกี่ยวกับตัวเองบางคนบางคนไม่สังเกตนะก็ไม่เข้าใจทำไมช่วงนี้มันรู้สึกรุ่มร้อนทาไมช่วงนี้รู้สึกหอเหี่ยวทำไมช่วงนี้รู้สึกว้าวุ่นแต่ทาไมช่วงนี้มันรู้สึกออสบายๆแต่ถ้าสังเกตก็จะพบว่าอ๋อมัน เกิดจากดินฟ้าอากาศเกิดจากช่วงของวันซึ่งเรื่องนี้มันก็สัมพันธ์กับร่างกายคนเราด้วยนะอากาศกับร่างกายอากาศกับอารมณ์อันนี้มันก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมากนี้พอเรามีความรู้เกี่ยวกับตัวเองที่เป็นผลเสริมเนื่องมาจากดินฟ้าอากาศแล้วเนี่ย เราก็สามารถใช้ความรู้น้ให้เป็นประโยชน์ได้นะไม่ใช่แค่เออเข้าใจตัวเราเองว่าทำไมมันถึงมีอารมณ์อย่างนี้จริงจริงเพียงแค่ว่าเข้าใจว่าเรามีอารมณ์แบบนี้ในช่วงเวลาอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็มีประโยชน์นะใช่ไนหะบางคนในช่วงเวลากลางวันบ่ายๆแลงๆเนี่ยรู้สึกรุ่มร้อนหรือบางทีห่่อเยียวจิตใจมันแห้งผากถ้าเข้าใจมันก็ไม่ทุกข์กับมันเออ เดี๋ยวมันก็หายไปเองพอหยาดร่มลมตกแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมาเองแทนที่จะไปกังวลก็วายนะหรือกังวลกับมันนะก็แค่ยอมรับมันว่ามันเป็นอย่างนี้เองนะรอไปสักพักเดี๋ยวก็ดีขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นสงบลงหรือว่านะเวลาเรา รู้สึกเครียดขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะทำงานอยู่ในห้องที่อุดอู้ห้องสี่เหลี่ยมคับแคบพอเราลองเดินออกมาจากห้องมาเห็นท้องฟ้าที่สว่างสวยหรือามาเจอแดดบ้างโอ้มันจะรู้สึก สดชื่นรู้สึกโปร่งโล่งขึ้นมาเลยมันเป็นวิธีการแก้อารมณ์นะนะที่ทำได้ไม่ยากนะถ้าเรารู้จักหรือเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอากาศนะกับตัวเราเองโดยเฉพาะจิตใจบางคนเนี่ยเดินจงกรมหรือว่าสร้างจังหวะอยู่ในห้องอยู่ในศาลาแล้วเครียด บางทีจใจว่าวุ่นหรือบางทีง่วงอาหานอนไม่รู้ทำยังไงแต่ถ้าเพียงแต่พาตัวเองเออกมาจากห้องแล้วก็หรือว่าเดินไปที่สะพานเห็นท้องฟ้าที่กว้างสัมผัสกับแดดสัมผัสกับลมบ้างมันรู้สึกสดชื่นรู้สึกผ่อนคลาย นี่ขึ้วงหงาหอน้ำก็สว่างที่เครียดนี่มันก็คลายทำให้กลับมาตั้งหลักปฏิบัติใหม่ได้อันนี้เพราะว่าเข้าใจนะมีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอากาศนะกับอารมณ์บางครั้งเนี่ยเราทำงานแล้วเราสึกเครียด มีเรื่องหนัก อ, อกหนักใจมากเจออปุปสรรคต่างๆมากมายตลอดทั้งวันบางทีรู้สึกท้อถอยรู้สึกห่อเหี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเราลองคิดสักหน่อยว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวพอตื่นเช้าขึ้นมาเจอแสงเงินแสงทองเจออรุนรุ่งเนี่ยจิตใจมันก็จะกลับมา มีพลังมีความหวังไอ้ที่ท้อแท้ท้อถอยมันก็หายไปลองสังเกตถึงอารมณ์ความสุขของตัวเองบ้างนะสามาชิตานี่เป็นเป็นโยมเนี่ยมันงานบางทีเจอเรื่องกระทบมากมายกระทบกับงานมันกระทบกับผู้คนมั่งนะเกิดความผิดหวังเกิดความ ท้อแท้เกิดความหนักอกหนักใจเกิดความเครียดก็เพียงแต่คิดว่าเออเราพักผ่อนให้พอวางเรื่องที่มันหนักอกหนักใจไว้ก่อนเดี๋ยวพอตื่นขึ้นมาธรรมชาติมันจะช่วยนะดินฟ้ากามมันจะช่วยต้องก็เป็นอย่างนั้นนะพอตื่นขึ้นมาฉันมาป็นคนตื่นเช้าเนี่ยพอเห็นแสงเงินแสงทอง ปล่อยท้องฟ้าเริ่มสว่างสวัยนี่้มันเกิดความหวังเกิดกำลังใจเกิดแรงที่จะฮึสู้ต่อไปอันนี้เพราะว่าเรียนรู้จากประสบการ์ตัวเองว่าเนี่ยอากาศยามเช้านี่มันมีผลในการที่จะชุบชูกำลังใจมากคนแค ใครก็ตาเวลาท้อแท้ไม่ว่าจากการปฏิบัติหรือว่าจากการทำงานหรือว่าจากเรื่องราวต่างๆที่ประสบในชีวิตเช่นเรื่องหนี้สินเรื่องครอบครัวอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากอย่าไปเอาปเป็นเอาตายกับมันมากลองคิดว่าเนี่ยเออเดี๋ยวเราลองหลับไปสักเงีบหนึ่ง หรือว่าหลับไปสักตื่นนึงหรือว่าหลับไปสักคืนหนึ่งแล้วตื่นขึ้นมานมันจะมีกำลังวังชาขึ้นมาเองแล้วมันจะมีความหวังขึ้นมาดินฟ้าการนี่มันก็มีประโยชน์มีคุณนะหากพืเราจอกใชใ้เป็นประโยชน์สามารถจะใช้เพื่อปลูกใจให้กระฉับกระเฉง ให้มีพลังให้มีความหวังมีความสดชื่นเบิกบานอันนี้คือคือแง่หนึ่งนะของความรู้ที่เราได้จากดินฟ้าอากาศไม่ใช่ได้แต่ความรู้สึกนะแต่ได้ความรู้ด้วยไม่ใช่แค่ความรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่างเดียวนะมันรวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับโลกความจริงของโลก เมื่อเราเห็นอากาศเปลี่ยนแปลงนี่แล้วก็แปรปรวนแบบคาดหวังไม่ได้นี่มันก็ทำให้เราได้เหมือนก็เหมือนกับเป็นการตอกย้ดาดอนนะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนอะไรก็ไม่จรรังไม่มีอะไรที่แน่นอนแน้แต่รูดูการที่จริงมันไม่ใช่แค่ดินฟ้าอากาศเท่านั้นาที่ มันให้ความรู้เรื่องนี้กับเราสิ่งแวดล้อมรอบตัวชีวิตของผู้คนมากมายเรื่องราวข่าวคราวของผู้คนทั้งหลายเนี่ยที่เราอ่านที่เราได้ยินเนี่ยถ้าระบางใจไม่เป็นมันก็ได้จต่ความรู้สึกหน้าตื่นเต้นหรือว่าหน้าเศร้าหน้าสรดสดหน้าสดอดอูหน้าสังเวช แต่ถ้าเราวางใจเป็นเราก็ได้ความรู้ด้วยความรู้ถึงความไม่เที่ยงไม่จีรังของโลกของสรรพสิ่งแล้วนี่คือสิ่งที่มันเราควรจะมาตอกย้าย้ำเตือนจิตใจของเราหรือเอามาโยงหรือโยงมาสู่ ตัวเราให้เห็นว่าเนี่ยชีวลตเมก็ไม่เชื่อเหมือนกันร่างกายและจิตใจของเรามันก็เอาแน่ออนอนไม่ได้ดินฟ้าอากาศเนี่ยที่ว่าไม่แน่นอนเนี่ยจิตใจของเราเนี่กลับไม่แน่นอนยิ่งกว่าบางทีมันเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าดินฟ้าอากาศด้วยซ้ำนะ นอกจากความไม่น่าหนานของใจของกายในความไม่แน่นอนของโลกภายนอกนี่มันก็เป็นสิ่งที่ควรจะมาย้ําเตือนใจของเราเพื่อที่เราจะได้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องไม่งั้นเราก็จะยึดมั่นถือมั่นกับมันมากเสร็จแล้วเราก็จะทุกข์เมื่อสิ่งต่างๆแปรปวนไปโดยเพราะ คนที่เรารักหรือของที่ให้ความสุขกับเราไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมธรรมชาติาาคนเราเนี่ยพอเจออะไรเนี่ยมันก็จะใช้แต่ความรู้สึกหรือได้แต่ความรู้สึกดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจ เศร้าโศกรโกรธแต่ว่าทุกอย่างนะั้นมันให้ความรู้กับเราด้วยเดี๋ยวน้อยๆความรู้เกี่ยวกับสัจธรรมนะความจริงของโลกของชีวิตเวลาพูดถึงความรู้เนี่ยเราก็นึกถึงความรู้จากตำราหรือนึกถึงความรู้จากครูบาอาจารยนะ์แต่จริงเนี่ยความรู้จาก สิ่งรอบตัวเราะความรู้จักสิ่งต่างๆที่เราผ่านพบนี่มันก็เยอะมากเลยนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ได้แต่ความรู้สึกเพราะว่าปล่อยให้เวทนามันพาไป ถ้าเกิดทุกขเวทนาก็ไม่พอใจไม่ชอบอยากผักสายเธเกิดสุขเวทนาก็ยินดีอยากได้แต่ว่าที่มีคุณค่ากว่านั้นคือความรู้นะหรือว่าความรู้เกี่ยวไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้มีคุณค่ามาก แล้ถึงที่ให้ความรู้กับเราที่สำคัญนั้นนอกจากครูบาอาจารย์สิ่งแวดล้อมความเป็นไปของผู้คนดินฟ้าอากาศแล้วเนี่ยที่สมคัญคือกายและใจของเราดูแหละที่มันให้ความรู้และที่มีคุณค่ามากนะเป็นความรู้ที่เราว่าวิชาชีวิต ถ้าเราถ้าเราหมั่นสังเกตนะกายและใจของเราเนี่ยหรือเพราะใจิตใจของเราเนี่ยโอ้เราจะได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับตัวเราเองอย่างเช่นรู้ว่าใจิตใจของเราอารมณ์ของเรานี่มันเอาแน่าออนอนไม่ได้ความคิดด้วยคือมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะ เมื่อมันเอาแน่วนอนไม่ได้คือมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเพืนอย่าไปจริงจังกับมันอย่าไปเอาเป็นเอาตายกับมันแล้วก็เสียคือว่าพอพอเราไปยึดติด ก, กับอารมณ์ไหนก็ตามความคิดไหนก็ตามเนี่ยพอมันแปรผันไปจางหายไปนี่ก็ทุกข์เลย แต่ถ้าเราหมั่นสังเกตนะพิจารณากายและใจของเราโดยเพราะความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์เนี่ยมไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเองเราดีขึ้นนะแต่มันช่วยทำให้มีความทุกข์ได้น้อยลงมีความสุขได้ง่ายขึ้นด้วยโดยเพราะถ้าเรารู้ ฉันเชว่ารู้ทันนอกจากรู้ว่ามันมีเหตุมันมีเหตุปัจจัยจากอะไรอารมณ์แบบนี้มีเหตุปัจจัยจากอะไรจากดินฟ้าอากาศจากความคาดหวังแล้วนี่ยังรู้ทันด้วยรู้ทันแล้วไม่ปล่อยให้มันมาคร อ, อบงำหรือว่าย่ายีจิตใจของเรา พถ้าเรารู้ทันมันเราก็จะปล่อยจะวางมันได้ง่ายาควรหมั่นสังเกตนะจิตใจของเราอยู่เสมอนะอันนี้มันเป็นเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวเพราะมันจะทำให้เรารู้จักตัวเองได้ดีขึ้นเรารู้อะไรต่ออะไรมากมายจากหนังสือจากตำราจากการเรียน แต่มันก็ยังไม่พอนะมันต้องรู้จักตัวเองด้วยโดยเพราะรู้ทันความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจในแต่ละแต่ละขณะแต่ละขณะที่พูดว่าเนี่ยอากาศมีอิทธิพลต่อตัวเราเนี่ยอันนี้ยังมันยังไม่เท่ากับอารมณ์นะอากาศมีอิทธิพลต่อตัวเราแล้วเนี่ย มันยังไม่มีที่ผลหนักเท่ากับหรือมากเท่ากับอารมณ์ของเราเช้าเช้าเนี่ยแม้ว่าบางครั้งจะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสแต่ถ้าใจาตอนนั้นเนี่ยมันไปนึกถึงอุปสรรคนึกถึงปัญหาที่ยังที่รอยอยู่ข้างหน้า แทนที่จะสดชื่นจ่มใสเนี่ยมันห่อเหี่ยวเลยนะรู้สึกหนักหนักอกหนักอกหนักใจขึ้นมาอากาศยามเช้าเนี่มันไม่ช่วยทําให้เราสดใสเลยนะถ้าใจเนี่ยมันไปนึกถึงปัญหานึกถึงอุปสักแทนที่จะสดใสเบิกบานก็กลายเป็นห่อเหี่ยวหดหูหรือขุ่นมัวหรือว่าหนักอกหนักใจกลางค่ากลางคืนเนี่ยแทนที่จะรู้สึก สงบผ่อนคลายนะมันก็สุบร่มร้อนพอนึกถึงคนที่เขาต่อว่าด่าทอเรานึกถึงคนที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้งานของเราร่วมเหลวทำให้เราไม่ได้สิ่งที่อยากทัง้งที่อากาศยามเย็นมันน่าทำให้เราสึกสบายผ่อนคลายแต่ทำไมเราร่มร้อนบุญหงิดนะ เพราะความคิดให้ความคิดเนี่ยรวมทั้งอารมณ์เนี่ยมันมีผลต่อตัวเราเนี่ยยิ่งกว่าดินฟ้ า, ากาับหรือว่ายิ่งกว่าสิ่งที่เรากําลังเสพไม่ว่า จ, จะดูหนังฟังเพลงหรือกินอาหารอร่อยแต่ถ้ากังวลถึงงานการเนี่ยดูหนังก็ไม่สนุกฟังเพลงก็ไม่เพล่บหรือว่าถ้ากำลัง โกรธแค้นหงุดหงิดกับการกระทําหรือคําพูดของใครบางคนนี่มันก็ทจะให้กินอาหารยังไงก็ไม่อร่อยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของความคิดและอารมณ์เนี่ยจึงนะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะต่อตัวเรามากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็ว่าได้และนี่คือผลสําคัญที่เราควรจะมาใส่ใจนะกับความคิดและอารมณ์ของเรา ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อฝึกหัดดัดแปลงให้มันเป็นไปในทางบวกเท่านั้นนะจะรวมถึงการรู้ทันด้วยหรือเข้าใจนะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ก่อนที่เข้าใจจามันต้องเห็นก่อนต้องรู้ทันก่อนหรือว่ารู้ว่ามันเกิดขึ้นในใจของเราขณะนี้ซึ่งีะเกิดขึ้นได้จากการที่เรามาัสังเกตบ่อย ใหม่ๆนี่ก็อาจจะเวลาทําอะไรเนี่ยก็อย่าทำจดเพลินนะกลับมาตั้งหลักหรือว่าหยุดแล้วก็มาสังเกตดูใจของเราตอนนี้มารู้สึกอย่างไรอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะง่ายๆเวลาทําอะไรบางทีเราทําจนเพลินหรือหมกมุ่นกับมันจนลืมกายลืมใจ พักสักหน่อยแล้วมากลับมาดูใจของเราสำรวจสแกนใจของเราว่ารู้สึกอย่างไรตัวลองประจําบ่อยเข้านะมันก็สามารถจะทําได้ในระหว่างที่กําลังทงาํา ง, งานในระหว่างที่ทํางานระหว่างที่ทําครัวในระหว่างที่กวาดใบไม้ทําความสะอาดบ้านเก็บของก็เห็นใจของเราสังเกต เห็นอารมณ์ความรู้สึก ข, ของเราในขณะนั้นแต่ไม่ใช่ดักจ้องนะไม่ใช่ทำอะไรแล้วก็คอยดักแต่จ้องดูความคิดของเราอันนั้นยังไม่ถูกนะบางทีก็อันตรายด้วยเช่นขับรถเนี่ ย, ข, ยขับรถแทนที่จะดูถนนดูทางข้างหน้ากลับมาดูใจว่าตอนนี้มันคิดอะไรเนี่ย น, นี่มันไม่ถูกระหว่างที่ขับรถใจก็ต้องอยู่กับถนนหรือทางข้างหน้า มองทางข้างหน้าแต่ว่ามันจะมาเห็นสังเกตอารมณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นขณะๆณะเป็นบางช่วงถ้าว่าเราบัานสังเกตใจของเราอยู่ บ, บ่อยๆมันก็จะหันมาดูใจของเราได้ะเป็นระยะระยะขณะที่ทำงานแต่ตอนหลังนี้ไม่ต้องดูเลยนะ ทำอะไรไปเนี่ยเพียงแค่ใจเนี่ยมันเกิดคิดฟุ้งหรือว่ามีอาการอารมณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันรู้เลยนะเมื่อเข็มมันกระดิกเพราะอะไรเพราะสติมันบอกสตินี่มันก็เหมือนกับตัวเซนเซอร์นะเซนเซอร์พอมีใครผ่านมันก็สว่างหรือพอมีควันมากระทบมันก็ส่งเสียงร้อง นสติแบบนมันเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติโดยเฉพาะในรูปแบบจากการเดินจงกรมอยากการสร้างจังหวะการตามลมหายใจที่แรกก็ให้มารู้กายก่อนพอใจมันคิดใจมันเผลอใจมันฟุง้งใจมันเที่ยวออกไปก็รู้ตามทีหลังผาใจกลับมาถ้าแบบนี้ บ, บ่อยๆจะมีบ่อยๆเนี่ยจิตมันจะจําได้ ถึงความแตกต่างระหว่างความรู้สึกตัวกับความหลงเวลามันหลงคิดอ่ะก็รู้เพราะมันจำได้ว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรนี่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวแล้วแล้วมันจำความหลงได้ด้วยพอเผลอคิดไปพอเผลอหงุดหงิดหรือว่าขุนมัวเศร้าออเครียด จิตมันเสียความปกติไปสติก็รู้แล้วมันก็บอกพอรู้ขึ้นมารู้ถันขึ้นมาเนี่ยมันก็จิต ก, ก็พาจิตกรรมมาสู่ความปกติอันนี้เราว่ามันมีสตินะมาเฝ้าดูใจดูอารมณ์ด้วยความคิดก็ทำให้รู้ทันแล้วพอ ร, รู้ทัน ความคิดและอารมณ์หรือความสึกนึกคิดแล้วเนี่ยนะมันก็ทําให้จิตของเราเนี่ยมันมีเครื่องรักษาแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยแม้ว่าดินฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรมันจะแปลเปลี่ยนอย่างไรนะใจแล้วก็ปกติได้ไม่ใช่ว่าใจเราต้องเปลี่ยนแปลงไปตามดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเปลี่ยนไปนะแต่ว่าใจไม่เปลี่ยนแปลงใจปกติได้เพราะว่ามีสติเป็นเครื่องรักษา มันทำให้อิทธิพลของดินฟ้าอากาศเนี่ยต่อตัวเราต่อจิตใจของเรามันน้อยลงเพราะว่าเราได้ฝึกใจเอาไว้ด้วยเพราะการมีสตินี่าสาคัญมากนะอากาศเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปนะแต่ว่าใจไม่เปลี่ยนแปลงในแง่ที่ว่าใจเป็นปกติได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวงการของดินฟ้าอากาศหรือสิ่งรอบตัวอยู่ร่าไป อาเดีนี้พูดตรงนี้นะอครับ